ตอนซักรองเท้าแล้วหรือยังก็ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณแม่ชีกัลยาณมิตรทุกท่านแก้วทิพย์ถูกคําสั่งจากคุณหมอบัญชาบอกต้องตรวจความดันตรวจเลือดพ่อครูไปบ่อยบางครั้งไม่ใช่ความดันความดันไม่เป็นไรเนาะก็ตรวจเบาหวานมันทีมันพุ่งขึ้นสองร้อยกว่าพ่อครูรู้รู้ตัวเอง ถ้าจะให้มันขึ้นมันลงพอกูสั่งมันได้นะถ้าจะให้ขึ้นก็กินข้าวเหนียวแค่สองปั้นเดี๋ยวมันก็ขึ้นแต่ถ้าตอนนั้นพอกูรู้ว่าร่างกายพอกูไม่มีอะไรพอมันขึ้นปุ๊บพอกูบอกว่าเครื่องวัดมันมีปัญหาพอเขาไปเปลี่ยนฐานใหม่ปุ๊บก็เหลือร้อยกว่าทึงวันระวังเทคโนโลยีดีแค่ไหนก็ช่งนะางนั่นแหละอาม่าตอนที่ท่านอยู่ท่านเคยไปเถียงกับหมอที่โรงพยาบาล ว่าอ้วเพิ่งตรวจของวนมาเดี๋ยวนี้แหะของลือดทำไมขึ้นเยอะเหลือเกินนะพอเถียงมาเอาเครื่องใหม่ตรวจจริงๆมันก็ลงเนี่ยเทคโนโลยีมันมีประโยชน์แต่มันมีโทษมหาศอย่าไปเชื่อมากมหมนะ่นะักนะอันนี้ก็เมื่อกี้เขาแสดงทำให้เราเห็นคือพอครูอยู่กับมันตั้งนานแล้วนะนะพูดปุ๊บก็รู้เลยว่าเฮ้พอจับปุ๊บมันไม่ใช่ตัวเก่า บางทีเราขัดแย้งกันเราเข้าใจผิดกันก็เพราะเราเชื่อมั่นนะเราเราคุ้นเคยกับมันเราเชื่อมั่นแต่เราชะล่าใจว่าบางทีมันอาจจะมีอะไรผิดพลาดนะถึงบอกบางครั้งเนี่ยออถ้าบอกมีสติสติทุกคนก็มีสตินั่นแหละแต่มันสู้อารมณ์ไม่ได้ อารมณ์ยึดมั่นถือมั่นความหลงตรงนั้นน่ะทําให้เราไม่ฟังใครบางทีเราก็เอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะก็เราอยู่ที่ศูนย์นี่เป็นครอบครัวพเพราะเรียกว่าครอบครัวใหญ่ก็ได้สองคนขึ้นไปก็พหูพจนะ์เนาะก็ไม่ได้ใหญ่มากมายนะมีไม่กี่คนแต่บางทีเนี่ยพวกครูก็รับขึ้นเนาะขึ้นนั้นมาขึ้นนี้มาแต่สำหรับพระครูได้ยินก็สัตย์แต่ว่าได้ยินนะบางครั้งไม่ไม่ใช่เรื่องมีสาระอะไรเลย แต่ถ้าไปคิดปุ๊บมันจะพิจารณาว่าเอ๊ะทำไมคนเดินทางธรรมเนี่ยมาสายธรรมแล้วทำไมยังมีเรื่องจุกจิกชู้จี้แบบนี้นะคือคนทั้งนอกเขาเป็นอย่างนั้นก็นเป็นเรื่องปกติแต่คนมาเดินสายธรรมแล้วเนี่ยเราต้องข้ามค้นมันให้ได้นะบางทีเราหนีครอบครัวมาหนีความวุ่นวายมาเห็นไหมขนาดคนที่เรารับ ครอบครัวเดียวกันเนี่ยรักกันทั้งนงานมีพื้นฐานของความรักก่อนเราถึงได้อยู่ร่วมกันส่วนในเรื่องขัดแย้งกันเรื่องอารมณ์เรื่องอยู่เป็นนานๆแล้วเนี่ยคล้ายๆว่าความเบื่ออะไรมันก็เกิดขึ้นนะอันนี้ขนาดคนที่เรามีพื้นฐานของความรักกันเรายังมีความรู้สึกแบบต่อต้านเป็นเรื่องปกติของกิเลสนะแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องปกติของธรรมชาติธรรมชาติ มันเป็นธรรมชาติของกิเลสแต่ธรรมชาติจริงๆธรรมะคือธรรมชาติการทำหน้าที่คือการคือธรรมะคือธรรมชาติคือธรรมดาธรรมดาแต่ตอนนี้ชีวิตเรามันไม่ธรรมดาแล้วมันถูกปรุงแต่งด้วยกิเลสมันรู้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ดีอันนี้ชั่วจริงๆแล้วธรรมชาติมันไม่มีคำว่าถูกคำว่าผิดคำว่าดีคำว่าชั่วถูกผิดดีชั่วมันเป็นภาษามนุษย์ที่สร้างขึ้นมา มันเป็นสมมุติแล้วทุกคนก็สวนมากก็ตีความสมมุติเข้าข้างตัวเองนั่นแหละถ้าตัวเองชอ บ, บอกตัวเองบอกว่าถูกถ้าตัวเองไม่ชอบก็บอกว่าผิดมาถึงขัดแย้งกันอันนี้เป็นเรื่องโลกียะเรื่องคนทั่วๆไปแต่พวกเราขึ้นชื่อว่าเราอุตส่าห์ถอยมาแล้วนะบางคนบอกหนีเสือปะจระเข้ฉันหนีความวุ่นวายจากครอบครัวซึ่งรักกันขนาดรักกันได้ฉันยังวุ่นวาย นะทัานหนีความวุ่นวายในสํานักงานนที่ทํางานของชั้นอุตสาหนีมาอยู่ในศูนย์นี้ก็มาเจอความวุ่นวายอีกเพราะครูได้ยินคํานี้นะเราปฏิบัติเช้าสายบ่ายเย็นนะเพื่ออะไรเพราะครูเน้นเรื่องเหวี่ยงทิง้งรู้ก็เหวี่ยงทิง้งเห็นก็เหวี่ยงทิง้งได้ยินก็เหวี่ยงทิง้ง สักตว่วรู้สัต์เวียนพูดแต่คำนี้เป็นปีๆแต่เราเวี่ยงทิ้งไหมไม่ยังยึดมั่นถือมั่นขวางหูขวางตาขวางหูคือพอได้ยินปุ๊บไม่ถูกใจก็ขวางหูขนาดเต้นนานาจิตแตงกังคืนเสียงดังมากทำไมไม่เป็นไรทำไมไม่เป็นไรเห็นไม้ม หลายปีก่อนนะตั้งแต่ยังไม่มีไฟฟ้าเลยนะพรอกูใชร้ระฆังตีเนี่ยมีพระคุณเจ้ารูปหนึ่งมาจากทางศรีสเกตท่านก็ทุดงมาตอนนั้นเรามีเนนสี่ห้าลูกไม่มีพระภิกษสุสงฆ์ไม่มีใครดูแลเขาก็เป็นเนนเขาก็ดื้อ ย, อย่างภาษาเนนหลวงพี่ท่านก็ชอบท่านปฏิบัติแล้วว่าท่านชอบแนวทางพระครูท่านชอบธรรมะพระครู แต่ท่านทนความวุ่นวายไม่ได้เพราะคูถามว่ามีอะไรเหรอหลวงพี่ท้องบอกว่าเนนมันด์เสียงมันดังท่านก็ลาเพราะคูว่าจะไปทุดงไม่เป็นไรนะหลวงพี่ไปเปลี่ยนอารมณ์ใหม่ก็ว่างๆนิมนต์มาใหม่ทีนี้ก่อนจะไปเพราะคูก็ฝากท่านว่ามันเป็นอุปท า, านนะหลวงพี่มันไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมันเกี่ยวกับข้างในเรา ท่านบอกว่าท่านชอบไปนั่งอยู่ในป่านะข้างน้ําตกเสียงดังๆท่านสงบมากบอกหลวงพี่ลองเอาเครื่องวัดเดซิเบลเนี่ยวัดขึ้นเสียงนะเสียงน้ําตกเนี่ยมันดังกว่าเสียงเนรด้วยเห็นไหมทำไมไม่วุ่นวายเพราะเราชอบไงอะไรที่ไม่ชอบปุ๊บเราบอกว่ามันวุ่นวาย คำว่าวุ่นคำว่าวายก็เป็นภาษาถ้าสานมันรู้จะกคำว่าวุ่นวายไหมไม่รู้มันก็ไม่วุ่นวายเรารู้ไงเรารู้ภาษาแล้วเราก็ไปหลงภาษานั้นนะเวลาเราเต้นนานาจิตตังเสียงดังมากเลยคนนั้นวิ่งไปวิ่งมาไม่เป็นระเบียบเลย ทำไมไม่รู้สึกวุ่นวายพอกลับไปที่พักบนวุ่นวายพวกครูรู้อารมณ์แต่ละคนนะอุตสาหนีมาแล้วมาเจอหนีความวุ่นวายแล้วมาเจอความวุ่นวายนี่ถามว่าใครทำให้วุ่นวายไอ้แมวเหรอเห็นไมตอนนี้มีสุนัขสองตัวไอ้ขาวกับดำของใครไม่รู้มาเดินเพ่นพ่านในสูนย์จริงแล้วพวกครูเมตตานะแต่ว่าเมตตาต้อ ง, ต, องต้องมีสติแบบว่า เวลามันกัดกันอะไรเนี่ยมันมันมันทำลายความสงบมันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์บางทีเราเลี้ยงเลี้ยงมันพอเราเมตตาแต่พอเราไม่อยู่พุก็ทิ้งมันไอสุนัขตัวอื่นมันมามันก็กัดกันอันนี้นะทีนี้มันเป็นเรื่องของปลายเหตุเอาเป็นว่าแก้ที่ตัวเองเราฝึกวิชาเหวี่ยงทิ้งเราปฏิบัติวันหนึ่งสี่เวลา แต่เราไม่เป็นนํานําไปประพฤติมันก็วุ่นวายมันก็วุ่นวายนะมันไม่เกี่ยวกับสถานที่มันไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้อมที่พระครูนเน้นบอกว่าเสียงอึกทึกคึกโครมเนะี่ยไม่ใช่ที่มาของความไม่สงบความไม่สงบเกิดขึ้นจากอารมณ์และท่าทีที่เรามีกับมันเห็นไหม เราอุตส่าห์ทิ้งความสะดวกสบายที่เราเคยมีแล้วกลับมาอยู่ในป่าแต่เราก็ทิ้งความสะดวกสบายนั้นไม่ได้เราก็ทําสะใจกิเลสแล้วมันก็อ้างโน่นอ้างนี่ทีนี้พอคนหนึ่งทําคนหนึ่งก็ทําด้วยถ้าเตือนสติก็บอกว่าพวกครูเลือกกิรักมากที่จังเพราะ กิเลสมันชอบอ้างสิทธิมันลืมความเป็นหน้าที่ของคนที่มีสํานึกไม่ใช่เขาผิดได้ฉันก็ผิดได้เห็นไหมเขาทำได้ฉันก็ทำได้มันถึงทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองไงเพราะคูไม่เล่นเกมนั้นเพราะูถึงถอยชีวิตมาอยู่ในป่าไม่ใช่เพราะคูกลัวมันนะเพราะกูอยู่ที่ไหนก็ได้เสียงดังแค่ไหนพ่คูก็สงบ เใ็่ไหมแต่ว่าพราะครูเลือกได้พระครูไม่อยากอยู่ในจุดที่มันไร้สาระเท่านั้นเองส่วนเรื่องเสียงดังเรื่องอะไรอะไรเนี่ยอย่างคนกรุงเทพนี่พรอครูสมัยหนุ่มๆเคยอยู่กรุงเทพนะข้างบ้านไม่รู้จักกันหรอกอยู่กันมาสิบกว่าปีเพราะเขากลัวความวุ่นวายมากนั่งรถก็วุ่นวายทำงานก็วุ่นวายอยู่แล้วเนี่ยไม่อยากจะยุ่งกับใครอันนั้นเขาใช้วิธีคือป้องกันคือว่า อันนั้นคือห น, นีถ้าเรามีอารมณ์อย่างนี้อยู่นี่เราหนีไปไหนเราก็ต้องเจอความวุ่นวายนะพ่อคูเคยเล่าให้ฟังว่าเพื่อนพ่อคูคนหนึ่งเพื่อนรุ่นน้องหละเป็นฝรั่งชื่อไมเคิลเขาเป็นมหาเศรษฐีเขาอยู่เรือยอทเขาอยู่ริมทะเลเขาเบื่อสังคมแต่พอเขามาจอดอยู่แถวไมอามี่อะไรเนี่ยป๊บ เขาก็มีบ้านอยู่แถวชายทะเลเขาจะเข้ามาในร้านอาหารเราเขามีเพื่อนน้อยมากเห็นไหมเขาเป็นคนเบื่อเบื่อสังคมมันถึงไปอยู่ในทะเลเพอพ่อครูอยู่ชีวิตมาเขาก็ถามที่อยู่กับน้องชายพ่อครูเขาก็เอาเรือยอทเข้ามาที่ภูเก็ตเขาก็บินมาอุบลแล้วก็เดินทางมาอยู่ที่นี่ เขาก็ชอบสงบเงียบดิมเคื่อนแต่ว่าเขาบอกไม่มีทะเลเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ไปซื้อบ้านหลังหนึ่งอยู่ภูเก็ตเขาบอกต่อไปเขาจะมามบ่อยๆเบื่อมืม่อเอิญ ม, มันบอกมันโชคไม่ดีข้างบ้านนิสัยไม่ดีมันก็ไปซื้อใหม่อยู่หลังเขามั่เอิญมันไม่ไปเช็คดีๆนะอยู่สักพักหนึ่งมันไม่กินขี้หมู เลยไปในไม่ไมไว้ไไกลเขาก็มีฟาร์มหมูมันก็บอกมันก็สืบรู้สืบไปเดินไอ้นี่มันมันจมูกมัญหาเรื่องมันก็ไปเห็นแล้วก็ไปถามชาวบ้านท่านนั้นก็มนบอกเมืองไทยทําไมไม่มีโซนนิ่งทําไมปล่อยให้เขามาทําฟาร์มหมูอย่างนี้แล้วบังเอิญไปฟังคนเล่าให้ฟังว่าไอ้ลูกชายเจ้าของฟาร์มหมูนั่นมันเลวมากชอบคมขืนเด็กสาวสาวแถวนั้น มันริงโกรธเลยนะบอกถ้าอยู่อเมริกาเนี่ยมันฆ่าทิ้งเลย น, นี่มันก็เลยเลื่องเหลอยอดกลับไปน้องชายพ่อครูมาเล่าให้ฟังพ่อครูบอกว่าช่วยไปบอกไมเคิลเลยนะอีกหน่อยมันหนีไปในป่าไปอยู่ในป่ามันจะหาเรื่องว่าเลิงมองหน้ามันอุศสานี้มาอยู่ในศูนย์พารานขอยอยังอ้างนอนอ้างนี่ หนีไม่ได้หรอกมันอยู่ในจิตใจเราเนี่ยนะถ้าเรียงหนีมันต่อยเวลาอ้างนวนอ้างนี่เต้าหนียังไงก็หนีไม่พ้นเราไปไหนมันก็ไปด้วยไม่ใช่ตายแล้วก็จบนะเอาไปเผาเลยเนี่ยเผาทิ้งเลยธรรมชาติบอกอย่าค้ากำไรเกินควรร่างกายเราก็เป็นอากาศธาตุเป็นธาตุดิน แต่อันนุสัยตัวนั้นน่ะมันยังตามไปอีกอย่าหนียอมรับมันแล้วก็เวียงทิ้งต้องฝึกเปิดฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบก็เราชอบกับไม่ชอบหรอมันจึงทะเลาะ ก, กันไอ้ความรู้สึกว่าวุ่นวายมันจึงเกิดขึ้นไงนะก็ไม่กี่วันนี้บังเอิญพอกูก็บังเอิญเปิดไปเห็นนิตยสารนั่นหนึ่ง ท่านอาจารย์วอเขียนคอลัมน์หนึ่งท่านก็เล่าให้ฟังว่าลูกศิษย์ท่านเป็นชาวต่างชาติเป็นฝรั่งมาอยู่แถวเชียงรายเป็นโรคลายแล้วก็ฝึกจิต บ, บ้างเนก็รู้สึกดีขึ้นเขาก็คิดว่าเขาหายเขาก็กลับไปเยี่ยมบ้านเขาแล้ววันนั้นคืนนั้นเนี่ยเที่ยงคืนก็จะนั่งเครื่องบินกลับมาเมืองไทย ตอนเช้าเขาก็เอารองเท้าเขาเนี่จะไปซักบังเอิญก้มลงจะ ก, กระแช่อยู่เนี่ยเขาเกิดอาการที่เคยเป็นเขาก็ขับรถไปโรงพยาบาลเองเลยรู้สึกแค่สองสามวันเขาก็เสียชีวิตทีนี้น้องสาวเขาเนี่ยก็ไปห้องพักเขาไปเก็บข้าวของไปในห้องน้ำ เห็นรองเท้าพี่ชายยังแช่อยู่น้องสาวนั่งลงร้องไห้อยู่นั้นครึ่งชั่วโมงอุทานว่าพี่ชายยังทํากิจไม่สำเร็จอาจารย์วอท่านก็เอาเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นการแสดงธรรมท่านตั้งคำถามว่าพวกเราซักรองเท้าเราหรือย่าง มัวแต่ผัดวันประกันพุ่งอยู่ด้วยเห็นไหมคือน้องสาวก็คิดว่ า, า, วาพี่ชายเขานี่ยเขาสงสารพี่ชายเขาพี่ชายเขาไม่ได้คิดเลยครับว่าเขาจะตายไงแล้าทุกคนคิดแบบนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องรองเท้านะเรื่องรองเท้านี่เป็นอุทาหรณ์ทุกๆเรื่องที่มันค้างอยู่ในจิตเราไอ้ขี้งุดหิด นะไอ้ขี้เบื่อขี้ต่างๆนั้นรีบล้างมันออกซะถ้าเกิดวันไหนเราไปฉับพันเลยเนี่ยมันจะค้างอยู่นี่ว่าอยากประมาทเราฝึกมรณานุสติทุกวันนี่ะคำถามคือว่าพวกเราล้างรองเท้าเราหรือยังทีนี้ก็เจาะลึกลงไปเนี่ย นะให้ทุกคนกลับไปดูที่พักของตัวเองโดยเฉพาะเราทิ้งความสะดวกสบายความฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ่เฟื่อยแล้วก็มาอยู่ในป่าแห่งนี้ไปสำรวจดูว่ารองเท้าเราซักหรื อ, อยังมีกี่คู่คู่ไหนบ้างในเดือนหนึ่งไม่ใช้เกินสามวันนั้นรีบเหวี่ยงทิ้งซะเอาขยะตรงนั้นน่ะมาแจกให้คนอื่น กลายเป็นอริยทรัพย์ดีกว่าเสื้อผ้าตัวไหนเ่ชุดไหนเนี่ยเดือนหนึ่งใส่ไม่ถึงสามครั้งรีบเอาออกมาเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์เดี๋ยวเราด่วนจากไปแล้วเนี่ยพวกนี้มันจะดึงเราอยู่ไอ้วัตถุข้างนอกนมันเป็นหยาบๆแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์จิตเราคนยิ่งให้ไม่ได้แล้วก็ยิ่งหวง วันที่มันจากไปเนี่ยมันไปไม่ได้มันทิ้งไม่ได้เพราะมันรักมากถ้าเราฝึกอย่างนั้นบ่อยๆความอยากได้เราก็อ่อนลงไอ้ขี้เบือ่อขี้งุดเหยียดอะไรมันก็อ่อนลงเพราะมันไม่มีกำลังอันนี้แหละอุบายวิธีในาศาสนาคือคำว่าทาน เรายิ่งใหญ่มากนะแล้วอุตสาห ว, วางความสะดวกสบายในเมืองหลวงในหมู่ืองในเมืองที่มีความสะดวกสบายเนี่ยอุตสาหเนี่ยเอาตัวเองมาอยู่ในป่าแต่เราไม่พยายามฝืนกิเลสเรายังเอาความนึกคิดแบบเดิมๆเนะี่มาใช้ที่นี่แน่นอนเราก็ต้องรับกรรมขวางหูขวางตายไปหมดอะไรที่กิเลสท่านไม่ชอบ ไม่ต้องโทษคนอื่นถ้าพวกเราไม่ใช่นักเดินทางเนี่ยพวกครูก็มีเหตุต้องมาคุยเรื่องนี้ทำไมจะไม่รู้ว่าเรื่องทางโลกอย่างนั้นขามีข้ออ้างของเขาพวกครูไม่เคยไปพูดกับเขาเลยเพราะพวกครูเคยเป็นแบบเขาแล้วก็แรงกว่าเขาด้วยมันไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดแต่ถ้าเรามาเรียนวิชาพพุทธเจ้านะเรายังไปแบกไอ้ความเคยชินตอนนั้นอยู่เนี่ยเวียนไปจนตายมันก็ไม่ไปไหน ไอ้แค่หยาบๆภายนอกยังไม่ยักไม่ยอมเบี่ยงทิ้งเลยถูกผิดดีชั่วก็ยังไม่ยอมเบี่ยงพิ้งเลยแล้วจะไปเอาลึกๆอดีตกรรมเราออกมาได้อย่างไรนี่แหละการปฏิบัติธรรมแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราทำตามกิเลสหมดปฏิบัติธรรมหิวก็กินง่วงก็นอนมีที่กินที่นอนมีที่เจริญมรรคจิตนี่ก็พอแล้ว แต่กิเลสเราไม่พอเพราะเราติดความสะดวกสบายไงก็ไอ้ความสะดวกสบายนั่นแหละมันทาให้เราทุกเท่าไหร่ก็ไม่พอมันเปลี่ยนรุ่นใหม่รุ่นใหม่รุ่นใหม่แล้วก็วิ่งตามมันไงเห็นไหมตอนนี้โลกร้อนเพราะอะไรมันฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟืฟอยไอ้ของที่เป็นขยะในบ้านเราเ น, น่เป็นภาระเราด้วยถ้าเอาขยะตอนนั้นน่ะไปให้คนอื่นช่ มันเป็นประโยชน์มันเป็นบุญมันเป็นอริยศันะ์น่ะนี่หละท่านซักรองเท้าท่านหรืย อ, อย่างอาจารย์วอท่านบอกรองเท้านี่เป็นแค่อุทาหรณ์จริงๆแล้วเป็นเรื่องทุกอย่างที่มันค้างอยู่ในใจเรานะอันนี้ก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยว่าในฐานะที่เรากำลังแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ แม้กระทั่งบางคนว่าฉันไม่อยากไปนิพพานหรอกฉันอยากอะไรก็ช่างนะคุณอยากอะไรก็ช่างคุณก็ทุกข์แน่แต่อยากน้อยก็ทุกน้อยอยากมากก็ทุกมากอยากก็เปรียบคนอื่นไม่ได้ของเขาก็ทุกแล้วนะมันเราไม่ได้เสียอะไรเลยเห็นไหมอยากอยู่เงียบๆ เ, เขาทำเสียงดังเราก็ทุกแล้วไงถามว่าทุกเนี่ยเราทําให้ตัวเองทุกนี่เราฉลาดหรือเราโง่ เราง่มากๆเลยแล้วยัคิดว่าตัวเองฉลาดนะนิดเดียวก็ไม่ได้นิดเดียวก็ไม่ได้ถูกผิดดีชั่วเพราะต้นเหตุคือมันให้ไม่ได้นั่นแหละนะอันนี้ไม่ใช่ถูกไม่ใช่ผิดมันเป็นเรื่องของกรรมกรรมคือการกระทําที่เราไปยึดมั่นถือมั่นในความเคยชินของตัวเอง ว่าเรามาปฏิบัติเพื่อจะข้ามพ้นตรงนี้ไงทีนี้ไอ้ทานเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของอุบายในการขัดเกลืจิตให้ผ่องใสตัวโลภตัวตนีไอ้ตัวนี้แหละมันทำให้เราขัดแย้งทุกวันนี้โลภที่จะได้เปรียบเขาโลภที่จะชนะเขานะผู้เจ้าบอกว่าอัตติอัตโนนาโธตนแลย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตน เนะพราะกูก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนทั้งหมดก็คือเราไม่เห็นตัวเองเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครตื่นเช้ามามองเห็นแต่คนอื่นเป็นเพราะเธอนั่นแหละด่าฉันฉันจึงทุกข์ถ้าคนเห็นตัวเองเนี่ยเราไม่ทำให้ตัวเองทุกข์นะเราจะไปโง่ทำให้ตัวเองทุกข์ทำไมเราไม่เคยเห็นตัวเองเลย ผู้เจ้าสอนวิชาให้ทุกคนเห็นตัวเองมีคำเขาเรียกว่าปิิสนาธรรมของคนโบราณนะคนโบราณอยู่ในชนบทคนโบราณนะที่จิตเขาบริสุทธิ์เขาเคยแสดงไว้ว่าอะไรล่ะสี่คนหามสี่คนหาม สามคนแห่สองคนนั่งแค่สองคนนั่งแค่หนึ่งคนพาไปใันเป็นปิศนาธรรมถ้าเราตีปิศนานี้ออกปุ๊บเราจะรู้ว่าเราเป็นใครขบวนการที่มันส่งเรามาเป็นยังไง เดี๋ยวมันจะส่งเราไปเนี่เป็นยังไงสี่คำสั้นๆนะสี่คนหามสามคนแห่สองคนนั่งแค่หนึ่งคนพาไปอันนี้ก็คำว่าสี่คนหามไม่ขี่คืออะไร หมายความว่ายังไงสี่คนในที่นี้เขาหมายถึงธาตุสี่ร่างกายเราประกอบด้วยดินน้าลมไฟเห็นไหมเราแบกมันตลอดเราประกอบด้วยดินน้าลมไฟทำให้ร่างมนุษย์เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ลอยนะมันประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้าลมไฟ เห็นไหมเริ่มจากว่าร่างกายเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้ํำลมไฟอันนี้เริ่มเ ร, มเริมมาเออร่างกายนี้ที่บอกว่าร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเห็นไหมเรา น, นี่คือไข่ร่างนี้คืออะไรที่เขาบอกสี่คนหามเนี่ยเห็นไหมไอ้ตัวเรามันเกิดขึ้นได้เพราะมันประกอบด้วยดินน้ํำลมไฟ เห็นไหมเวลาเราไปเผาปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นแยกธาตุเลยนะน้ำาก็ละเหยเลยเป็นอากาศธาตุเป็นลมนะไอ้ที่เหลือก็เป็นธาตุดินมันกลับคืนสู่ธรรมชาติของมันนี่คือสี่คนหามสามคนแห่พอเกิดมาแล้วมันมันมันรวมกันปุ๊บกลายเป็นคนคนเกิดขึ้นเป็นตัวร่างกายเราเป็นตัวตนเราเกิดขึ้น เราก็ยังอยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์สามคนแห่นี่คือไตรลักษณ์ลักษณะสามประการของธรรมชาติคืออันนิจจงทุกขังอนัตตาไม่มีแม้ตึงหนึ่งคนนี่หลีกนี้กดนี้ได้เนี่ยสามคนแห่แห่ตามมันเราเปลี่ยนมันไม่ได้ไอ้เจ้าตัวฉัน เธอห้ามแก่นะเธอห้ามเจ็บนะเธอห้ามทายเดียดขาดฉันไม่ชอบสามอย่างนี้ถามว่ามันฟังเราไหมไ ม, ไม่เพราะมันไม่ใช่ของเราเพราะมันเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายเพราะมันดำรงอยู่ได้ยากทุกขังคือดำรงอยู่ได้ยากมัน เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายเพราะมันดำรงอยู่ได้ยากเพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนไม่ใช่มันไม่มีตัวตนมันมีอยู่มันประกอบด้วยดินน้ำตนไฟแต่มันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนมันเป็นของชั่วคราวเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายเพราะมันดำรงอยู่ได้ยากนี่คือกฎแห่งความเป็นจริงของธรรมชาติ สามอย่างที่ท่านเรียกว่ากฎพระใรลักษนี่คือสามคนแห่สองคนนั่งแค่นะสี่คนแบกสองคนนั่งแค่อันนี้สำคัญที่สุดเรามีกรรมเป็นทายาทเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธ์กรรมตัวนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรจากบุญกับบาปจากบุญกับบาป ไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวส่งผลที่จะไปสุขคติหรือทุกขติสองคนนั่งแค่ก็คือกรรมมันแยกเป็นบุญกับบาปเนี่ยไอ้ตัวนี้เราก็หนีมาได้เราหนีกรรมเราไม่ได้ใช่ไหมบุญคือเบาบาปก็คือหนักทีนี้หนึ่งคนพาไป หนึ่งคนนี้คือใครคือจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายที่มันต้องแยกจากล่างนี้ไปเราฝึกมรณานุสติทุกเชา้าเพื่อมาดูว่าถ้าเกิดเราต้องไปจริงๆเนะี่ยเรายังติดค้างอะไรอยู่เราซักรองเท้าเราหรื อ, อยัง ถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วเราจะไม่หลงวัตถุนิยมมากมายไอ้หลงติดความสะดวกสบายนั่นนั่นแหละเรายังไม่ซักถ้าวันไหนเนี่ยมันจะต้องเดินทางต่อไปใครพาไปหนึ่งคนพาไปจิตสุดท้ายมันจะพาไปอันนี้สั้นๆซึ่งคนโบราณท่านใช้ประสบการณ์ท่านมาไป ชี้ปิิสนาทำให้เราถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นกับไอ้ดินน้ำหลนไฟก้อนนี้เพราะสักวันหนึ่ง<อ>มันก็ต้องทิ้งจิตเราเพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตวนที่แน่นอนเพราะมันเป็นทุกขังมันดำรงอยู่ได้ยากมันมีอายุขยของมัน เพราะมันเป็นอ น, นิจจังมันไม่เที่ยงนี่คือหลักความจริงสามประการซึ่งพระพุทธเจ้าไปตัดสรุปมาโอเคเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วว่าเราเป็นใครแล้วถามว่าเราจะทำอย่างไรที่ให้มันดุดออกจากสิ่งนี้เกิดมาปุ๊บมันก็เริ่มต้นจากสี่คนหาม สามคนแห่สองคนนั่งแค่หนึ่งคนพาไปเหมือนเก่าแล้วเราออกจากสิ่งนี้ได้อย่างไรอันนี้จิตพระครูพูดไม่มีให้ตำลาเพิ่งเมื่อวานก่อนไม่ใช่มันพูดเฉยเฉยมันสั่งพระครูว่าพระครูได้สั ญ, ญลักษณ์ใหม่เหมือนข้างๆที่พระครูใส่สั ญ, ญลักษณ์ แบ่งโลกออกเป็นสองชิน้นทางนี้ว่างทางนี้มีขั้วบวกขั้วลบมีของคู่มันมีลูกศรถ้าเราชี้มาทางนี้เราปรุงแต่งเราอย่างไรล้วก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราเดินสายกลางไม่ไปติดสู่โตรงระหว่างขั้วบวกขั้ ว, บ ว, วลบดีชั่วเราก็ไปสู่สุญญาตาคือเป็นโลกที่ว่างไอ้ตอนนั้นนิพิทนั้นก็เกิดขึ้นกลางดึก ต้องรีบขึ้นมาว่าไม่งั้นพราคกูเห็นผมก็วางแต่เนื่องจากเราต้องทำหน้าที่ตรงนี้มันก็มีนิมิีอีกหลังจากมันคืาว่าจิตธรรมวิจยะมันถึงเวลาถ้าไม่ถึงเวลาสิ่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นนะไอ้สั ญ, ญลักษณ์ตรงนี้นะมันรวมเช่นนี้มันก็ตอบว่าเอาล่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าสี่คนหามสามคนแห่ สองคนนั่งแค่หนึ่งคนพาไปจิตพระครูก็ตอบว่าแปดคนสามัคคีเจ็ดคนขับเคลื่อนหกคนเฝ้าระวังห้าคนมันปุงแต่งสี่คนร่วมประสาน สี่คนร่วมประสานะสามคนมุ่งมั่นสองคนจากไปหนึ่งคนสุญญาาไม่มีใครพาเราไปไหนอีกแล้วเริ่มจากแปดคนสามัคคีก็คือมัคสมังคี รวมมรคให้กลายเป็นหนึ่งมรคผลนิพพานเมื่อเราจเจริญมรคแล้วเนี่ยในมรคที่เขายกตัวอย่างว่ามีเครื่องมือแปดอย่างเลยมรคภายนอกมรคภายในเมื่อเราใช้มหาสติประธานเข้าไปในจิตในจิตแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปสัมผัสโพชงทุกวันนี้ที่เราเต้นเรารัเนี่ยมันเป็นเรื่องของโพชงเนี่ยเจ็ดคน ขับเคลื่อนเรากำลังเจริญพวชงเจ็ดพวชงทั้งเจ็ดอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาและวิมุตติให้สมบูรณ์หกคนเฝ้าระวังหกคนนี้คือใครจะเป็นอายตนาหกก็ได้เนี่ยสัจธรรรู้สัตธว่าเห็นสัตธว่าได้ยินตาหูจมูกลิ้นกายใจ เฝ้าระวังถ้าไม่เฝ้าระวังไอ้ห้าคนมันจะปรุงแต่งห้าคนนี้คือใครคือขันห้าเห็นลูกปุ๊บเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดดาวไปถ้าหกคนไม่เฝ้าระวังมันจะเป็นเครื่องมือของขันห้าเพื่อปรุงแต่งเพิ่มสัญญาใหม่ สี่คนร่วมประสานสี่คนคือใครกายเวทนาจิตธรรมเป็นหนึ่งเดียวมหาสติปทานก็เกิดขึ้นสามคนมุ่งมั่นสามคนนี้ก็คือทานสิลภาวนาโอวาทปาติมง เมื่อสาคนนี้มันมุ่งมั่นทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆสองคนจากไปสองคนคืออะไรคือบุญกับบาปคือดีกับชั่วของคู่มันก็ยังอยู่เนี่ยของคู่อยู่ข้างหลังที่บอก็มีบวกลบคูณหารมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีถูกมีผิดมีดีมีชั่วทุกวันนี้เราทะเลาะกันเพราะเราไปติดของคู่ฉันถูกมันผิดไอ้เธอกำลังด่าฉันนั่นเธอก็ผิดเหมือนกัน เพราะเราเปติดของคู่ถ้าเรามีมหาสติปัฏฐานมันเกิดวิชาหรือเกิดปัญญาแล้วเนี่ยมันจะข้ามพ้นของคู่แม้กระทั่งข้ามพ้นบุญบาทแล้วหนึ่งคนคืออะไรจิตสุดท้ายคืออะไรเมื่อมันระเบิดอัตตาตัวเองทิ้งแล้วเนี่ยมันก็เข้าสู่สุญญาตาคือว่างจากอัตตา เป็นสภาวะอตอมมยตาคือปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปไม่มีใครนำพาเราไปในสามโลกกระธาตุนี้อีกแล้วอันนี้คือคำตอบนี่แหละเริ่มจากแปดแปดคนสามม้าขี่เจ็ดคนขับเคลื่อน หคนเฝ้าระวังส่วนขันห้าเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่เขาอย่างซื่อสัตย์เขามีหน้าที่ปรุงแต่งหนึ่งวินาทีนี่ยห้าขั้นตอนเนี่ปุ๊บคิดไม่ทันความคิดช้าเกินไปแต่ถ้าเราเฝ้าระวังรูปเกิดเขาด่าเราเนี่ยเสียงเขาด่าเราคือรูปตัวได้ยินเสียงคือนามมันเกิดปุ๊บมันก็ดับ แต่เราไม่ทันมันรูปเกิดปุ๊บเราไม่เห็นตอนมันดับมันก็หยุดด่าแล้วไงมันก็จบแล้วรูปเกิดปุ๊บเวทนาเกิดมันลงใจเลยความรู้สึกไม่พอใจเกิดขึ้นเพราะไอ้สัญญาสัญญาเกิดไอ้สัญญาที่เราบันทึกไว้ว่าเราเราบันทึกภาษาไทยว่าเราไม่ชอบถูกด่าเรารู้ภาษ า, ามันดา่าเราเห็นไหมถ้าเราไม่มีสัญญาเนี่ย อย่างทาซานเราไปด่ามันไอ้ทาซานนี่โง่โง่โงมันไม่รู้หรอกว่าเราด่ามันมันไม่มีสัญญาแต่เรามีสัญญาไงวีนเลยล่ะไม่พอใจแล้วมันบันทึกสัญญาใหม่ไว้ด้วยมันด่าเราอีกความไม่พอใจมันก็แรงขึ้นสังขารเกิดมันคิดปรุงแต่งแล้วว่าเธอด่าฉันฉันเสียเปียกไม่ได้ได้ไงได้ไง วิญญาณนักสู้เกิดขึ้นภายในหนึ่งวินาทีเราก็ด่าออกไปเลยเห็นไหมเนี่ยห้าคนปรุงแต่งบางคนก็ฝึกสติฝึกจิตเนี่ยเขาเอาขันห้ามาฝึกแต่พระครูว่ามันยังช้าไปเราต้องดับมันที่ต้นเหตุก็คืออายตนะคือว่า คือว่าข้างนอกนะข้างนอกเนี่ยร่างกายเราได้ยินเพราะอะไรเพราะหูเรามองเห็นเพราะตาเห็นไหมจมูกเราได้กลิ่นทั้งคืนนอนอยู่ข้างห้องโทรศัพท์ไม่หยุดเลยหูมันได้ยินไงมันไม่พอใจที่จริงแล้วต้นเหตุมันก็คือไอ้ตัวที่เรามีสัญญานั่นแหละเป็นจินตเรศเรานั่นแหละแต่ทีนี้เรายังแก้มันไม่ได้เราก็ต้องให้รู้เท่าทัน สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กลิ่นสักแต่ว่าลิ้มรสสักแต่ว่ากระทบผัสสะเมื่อเราสักแต่ว่าได้รูปเกิดปุ๊บมันก็ดับขันห้ามันปรุงแต่งไม่ได้แต่อันนั้นเราทำได้ชั่วคราวแต่สุดท้ายถ้าเราระเบิดอัตราตัวเองทิ้งไอ้กล่องบันทึกสัญญาต่างๆมันก็จบ นะเนี่ยขันห้ามันก็ทําหน้าที่มันอย่างซื่อสัตย์นะอย่าไปโทษมันด้วยเราโง่เองเราไปใช้ใมันปรุงแต่งนะแต่ถ้าเรารู้เท่าทันนัยตนะเห็นไหมเวลาเสียงดังๆกลางคืนเต้นเนี่ยทําไมไม่วุ่นวายเพราะเรารู้เท่าทันสัตว์แต่ว่าได้ยินไงแต่ถ้าคนมาใหม่ๆเนี่ยงุดหงิดเลย ปฏิบัติทำอะไรเป็นแบบนี้เห็นไหมขันห้าเขาปรุงแล้วเพราะเขามีสัญญาเขามีสัญญานะนี่แหละพวกครูต่อยอดจากคนที่คนโบราณที่เขาพูดปริศนาธรรมเพื่อให้เราไปเตือนสติแลให้เรารู้ว่าเราเป็นใครทีนี้เราก็รู้แล้วว่า เราประกอบด้วยดินน้ำลมไฟแล้วเราอยู่ภายใต้กฎะไยรักเราหนีไม่พ้นไม่มีใครหนีพ้นแม้กระทั่งเทวดาอยากไปเป็นเทวดาเทวดายังอยู่ในกระบวนการไตรลักษณ์นี้ไม่ละเว้นใครทั้งนั้นนอกจากพระอมหันต์สามคนแห่สองคนนั่นแค่ 2คนนี้ก็เกิดจากกรรมที่เราสร้างขึ้นมาเองกรรมมันแยกเป็นกุศลและก็อกุศลซึ่งเราเรียกว่าบุญบาปไอ้ตัวนี้ล่ะเป็นตัวกำหนดให้ที่ไอ้หนึ่งคนพาไปหนึ่งคนนี้เนี่ยมันทำตามคำสั่งของไอ้เจ้าสองคนก็คือบุญกับบาปเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ย ถ้าเราเข้าใจคำสมมุิฐาพราะองค์ชี้ให้เราเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่ชี้จบนะพระองค์ก็ชี้ทางด้วยว่าวิธีที่จะกำจัดโปรแกรมนี้อย่างไรอันนี้จิตพระครูมันพูดขึ้นมาเองนะเอาเป็นบรรทัดฐานไม่ได้เลยนะให้เราเข้าใจว่าพวกเรากาลังทาอะไรอยู่เริ่มจากอีกแปดคนสามขีเริ่มจาก เราสองคนอยู่ข้างห้องกันยังไม่สามามคีเลยเราจะเอาแปดคนที่ไหนมาสามะมคีทั้งหมดก็คือเราให้ไม่ได้เริ่มจากให้อาภัยไม่ได้เรื่องทานจึงเป็นเรื่องสำคัญมากให้ได้อาภัยได้เป็นการลดทอนทิติมาณะเราลดทวงความโลภความตหนี่ความอยากของเรา เราไปแก้ที่ใสคนอื่นไม่ได้แต่เราแก้เราได้สำคัญว่าเอาจริงไหมจริงไม่ได้ไงมันเจ็บใจมันเจ็บใจมันเบื่อเบื่อมันเบื่อเบื่อเราก็หนีความเบื่อหนีไปไหนมันก็เบื่ออีกพราะครูบอกนะของพระครูนี่การมารรลุธรรมเกิดขึ้นการจักการสแสวงหาที่ล้มเหลว และไอ้เครื่องมือที่ทําให้พระคูหลุดพ้นออกมาก็คือความเบื่อพ่อคูพยายามหนีมันหนีไม่พ้นพอเบื่อมามันบอกโง่จังเลยก็ไปเที่ยวสิไปเที่ยวสิมีแต่คำเดียวไปหาความสนุกสนานเพลิดเพลินมันก็ลืมความเบื่อชั่วคราวกลับมามันยิ่งเบื่ออีกเพราะมันดื้อยาไปเที่ยวสิ ยังไม่ไปเลยก็รู้ว่าจะไปทำอะไรเพราะมันทำมาหมดแล้วไงหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นแต่วันที่มันนั่งสามชั่วโมงนั้นอะมายอมรับมันมึงเบื่อเลยมึงเบื่อเลยเบื่อจนตายก็ตายไม่ใช่เบื่อนิดนึงมองหาที่อยู่ใหม่แล้วหาห า, หาบ้านหลังใหม่แล้วหาอะไรใหม่แล้วอะ มันไม่ใช่ทางแก้นะมันเป็นการทำให้กิเลสเราเนี่ยมีกำลังมากขึ้นตั้งหากันการปฏิบัติธรรมเป็นการฝืนกิเลสปลาเป็นทวนน้ำปลาตายตามน้ำปลาน้ำจืดเนี่ยมันทำไมรู้ว่าต้องทวนกระแสเพราะมันไม่ได้ไปโรงเรียน มันไม่ได้ไปโรงเรียนมันไม่ได้ไปเพิ่มสัญญาผิดๆเขาไปไงมันเป็นสัญชาตญาณญาณรู้ซึ่งเป็นสัญญาในอดีตชาติมันจํ่าได้หมายรู้ว่ามันต้องทนกระแสเพราะมันเคยเกิดเป็นปลามาหลายชาติแล้วหลวงปู่มั่นเองเนี่ยถ้ำที่ท่านจะระเบิดนะท่านไปเห็นว่าท่านเคยเป็นสุนัขมาห้าร้อยชาติ สัญชาตญาณของสัตว์มันบริสุทธิ์กว่ามนุษย์ในแง่ว่าสัญชาตญาณมันยังอยู่แต่มันระดับเดระฉานวิชาแต่ตอนนี้สัญชาตญาณของเราเนี่ยหายไปหมดเลยเพราะเราไปมีสัญญาความรู้ผิดบล็อกไว้เลยตอนนี้เปรตอสุตรกายก็อยู่ในร่างมนุษย์เทพเทวาพรมเนี่ยก็อยู่ในร่างมนุษย์ พระอริยก็อยู่ในร่างมนุษย์ตอนนี้สามโลกกธาตุเปิดทะลุกันหมดแล้วไม่ต้องไปรอชาติหน้าบ้านเมืองไม่เคยเป็นแบบนี้มันก็เป็นแล้วล่ะคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะทิฏฐิมานะเราเยอะมากฉันถูกมันผิดพวกครูบอกยังไม่รีบอภัยอีกไม่มีคนผิดเธอจะให้อภัยใครไปให้อภัยคนที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาจะด่าเราด้วย เธอไม่ให้อภัยใช้ทำไมทิฏิมานะอ้างคำสอนพระเจ้าอําธรรมะพระองค์แต่ไม่เคยเอาไปประพฤติไม่ประพฤติไม่พอเนี่ยสร้างกรรมใหม่อยู่เรื่อยเหมือนเราเดินไปเนี่ยสุนัขมันเห่าเราโกรธมากมึงเห่ากูทำไมเราก็ไปเห่ามันเราก็เป็นสุนัขเหมือนมันไงเธอเป็นคนไม่ดีฉันก็ทำไม่ดีด้วย เธอผิกฎหมายฉันก็ทำผิดกฎหมายด้วยได้อันนี้ชั่วแล้วชั่วอีกโง่แล้วโง่อีกก็มึงรู้ว่ามันไม่ดีแล้วมึงจะไปทําตามมันทําไมล่ะนี่คือที่ติมันะถ้าเราไม่ตีโจทย์ตัวนี้ให้มันแปกนะว่าเราเป็นใครมาจากไหนเกิดมาทําไมความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรแล้วตายแล้วไปไหน ถ้าเราไม่ตีโจทย์ตัวนี้แตกแล้วเนี่ยเราก็เหมือนอยู่ในวังบนนั่นแหละคิดนอกกรอบไม่ได้นี่แหละสี่คำสั้นๆที่คนโบราณเขาให้ข้อคิดเราเป็นปิดศนาธรรมมีอยู่แค่นี้ถ้าเรารู้แค่นี้ว่าสี่คนหามสามคสามคนแห่สองคนนั่งแค่หนึ่งคนพาไปมันคืออะไร ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราถึงเห็นคุณค่าว่าแล้วพวกเรามาทำอะไรพวกเรามาทำอะไรอยู่ทำไมต้องทำแบบนี้ไงเพราะเรารู้ว่าเราคือใครแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราคือใครเราก็ไปเล่นเกมที่คนอื่นเขาสอนให้เราเล่นแข่งขันเสรีเศรษฐกิจก็แข่งขันการเมืองก็แข่งขันสังคมก็แข่งขันแม้กระทั่งอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้ แล้วมันจะไปไหนล่ะเราก็ไปสร้างไอ้สองคนนั่งแค่นั่นให้มันตัวโตวขึ้นไอ้หนึ่งคนนั้นมันเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้มันมีหน้าที่ทําตามคําสั่งถ้าบุญเยอะมันก็สั่งให้เราทําไปตามบุญถ้าบาปเยอะก็สั่งให้เราไปทําตามบาปนี่ถ้าเราเห็นเรื่องนี้แล้วเราเข้าใจว่า เรานี่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟแล้วไม่มีแม้แต่หนึ่งคนเนี่ยไม่ละเว้นแม้กระทั่งเทวดาต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ตามธรรมชาติซึ่งพระองค์เรียกว่ากฎพระไตรลักษณ์ลักษณะสามประการของธรรมชาติก็คืออดิจังทุกขังอนตัตตาไม่ใครหนีออกจากกฎนี้ได้ไม่มีนอกจาก านเพราะไอ้กฎตรงนี้เนี่ยมันครอบงมทั้งสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัตินรกสมบัติเราต้องเอาตัวเองออกจากสามโลกกระทาานี้มุ่งไปสู่ความเป็นอริยะสมบัติเป็นทางทางเดียวเท่านั้นที่เราจะตัดตอนเรื่องวัตัดสงสาร ตอนนี้เรายังตัดไม่ได้เราไม่ต้องเพิ่มกำลังให้ไอ้สองคนนั่งแค่โดยเฉพาะไอ้กรรมส่วนพิธีอกกักขศนเขาทำชั่วก็เรื่องของเขาอย่าไปแย่งงานยมบาลทำเผลอๆเนี่ยที่ไปด่าเขาเนี่ยตกลงลงไปยมบาล น, นี่โกรธมากนะไอ้กรรมที่เราสร้างไว้สมมติว่าตัดสิน สิบชาติอีกคดีหนึ่งแย่งงานยมพบาลทำเนี่ยบวกไปอีกเก้าสิบชาติผมไม่ใช่หน้าที่เธอเพราะเราให้ไม่ได้ไงเพราะเราติดไงเราติดถูกไงไม่มีหรอกมีพราอรหันถ้าพูดถึงว่าคำว่าถูกคือคือกุศลคำว่าผิดคืออกุศล แล้วมันมีหรือเปล่าล่ะคนซึ่งเขาจิตบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ไปสร้างกรรมใหม่คนเรามีสองขั้วทั้งนั้นแหละเห็นไหมสองคนนั่งแค่ทุกคนมีสองด้านหมดอยู่ที่ว่าใครจะไปเพิ่มด้านไหนไอคนนี้มันเพิ่มด้านอากุศลทางบาปก็เรื่องของมัน ฟ้ า, าดินกดกระแสกรรมเนี่ยจัดจัดการมันเองแต่ถ้าเราไปร่วมด้วยเราไปด่ามันเนี่ยเราก็เพิ่มด้านอากุศสเหมือนกันเราไปด่าเขาถามว่าเรามีความสุขเหรอเราโกรธนี่เรามีความสุขเหรอเราโกรธมันเนี่ยเราเองก็เพิ่มความทุกข์ให้ตัวเองเพิ่มอกุศสให้ตัวเองนั่นแหละอันนี้แหละถ้าไม่ตั้งมัน่น ศรัทธาในคำสอนพุทธเจ้าจริงๆเราก็ไม่มีการทุ่มเทไม่มีวิริยะกล้ากลัวๆเบื่อๆ อ, อ, อยากๆเอ้ใช่หรือเปล่ามันไม่เกี่ยวกับวิธีวิธีไหนก็ได้ทำจริงหรือเปล่าคนเคยมาอยู่ในศูนย์นะมีนะโอ้ทำท่าดีม า, มากๆปฏิบัติเลยเพราะน้อยใจนิดเดียวเนี่บอกที่นี่ไม่ดี แล้วก็ออกไปพวกคูก็ตามรออยู่ว่าเออเธอไปที่ไหนมันดีไหมไม่ไปสร้างเดือนไปสร้างกรรมใหม่ไปผูกเงื่อนใหม่มันดีเหรอก็ที่นี่มันไม่ดีก็ไปในที่ที่มันดีกว่าเก่าก็ไม่เห็นไปวิธีนี้ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าและไอ้คนพูดน่ยตรงไหนใช่แล้วคุณทำวิธีใช่หรือเปล่าก็ไม่ทำ พูดเพื่อจะไม่ต้องทำไงสร้างกำใหม่ในขณะที่เขาทำเธอไม่ยอมทำเธอไม่อยากทำมีใครว่าเธอก็อยู่เฉยๆไงอันนี้กลัวไปหมดเลยาะฉะนั้นตัวเองไม่ได้เสียอะไรบางทีตัวเองไม่ได้เสียอะไรเลยนะเห็นเขาทำดีบางทีก็กลัวด้วยไงเนี่ยคนเราทุกวันนี้มันแรงขนาดนี้ เราต้องดูนะกรรมชี้เจตนาต้องดูเข้าไปในเจตนาเขาแต่ถ้าเราไม่ใช่เป็นพระอริยสงฆ์ชั้นสูงเนี่ยเราไม่เห็นนี่อย่าบังอาจไปกล่าวโทษเขานะพวกครูเคยเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังว่ามันมีค น, คนชายคนหนึ่งใช้ว่ามันเลวมากในภาษาพูด มันมีอีกสมมติว่ามันเลวมา 99% นะถ้ามันทำชั่วอีกครั้งหนึ่งนะมันจะตกนรกไม่มีวันผุดวันเกิดเลยไม่ใช่ขึ้นไปนิพพาน้วไม่มีวันผุนเกิดคนละอย่างนะอันนั้นต้องเกิดอีกหลายชาติแต่ว่าช้าหน่อยหนึ่งจนลืมเลยล่ะทีนี้พระโพธิสัตว์รูปหนึ่งเนี่ยท่านเห็นไงท่านก็เห็นฝ่ายดีมันสร้างมาหลายชาติอยู่เหมือนกันมันองคุดีมัน เห็นไหมข้าคนเก้าร้อยเก้าสเก้าเขาตั้งมหาโจรเลยเนี่ยเขาสั่งจับเลยจับตายเลยนะแต่ผู้เจ้าไปเห็นอดีตกุศ ล, ลจิตที่เขามีอยู่แต่กรรมปัจจุบันเนี่ยมันมันไม่ใช่ไม่รับก็ต้องรับไงเห็นไหมผู้เจ้าก็เลยไปโปรดไงโปรดองคุลิมานตึงขึ้นมาแล้วก็บรรุเป็นพระลหันในชาตินั่นเอง ค่ามาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนเรามีสองด้านและไอ้ที่มันด่าด่ากันทุกวันนี้เนี่ยบ้านเมืองเนี่ยมันชั่วขนาดองค์ุลีมานไหมระวังนะสมมติว่าบังเอิญว่าฝ่ายดีเขาก็มีอยู่เนี่ยมันตีกลับตัวเองหมดเลยนะเราเชื่อสายตาอยู่ไว่าตัวเองนะเราเก่งแค่ไหนเราบริสุทธิ์แค่ไหนเรามียานรู้ขนาดว่าดูเห็นเขาหรือเปล่าผู้เจ้าท้องบอกว่า สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นต้องนอบน้อมทนตนเนี่ยแต่ถ้าเป็นภาระยะที่บริสุทธิ์จริงๆเนี่ยท่านเห็นท่านก็สักแต่ว่าเห็นกรรมใครกรรมมันบุญใครบุญมันท่านก็ไม่ไปยุ่งอันนี้เย้ยวเย้วกันใหญ่เลยน้าหันเขาดูแลสูนมุงเทพเมื่อวันก่อนก็โทรมาปรึกษาพ่ะครูคือแกจิตใจดีมาก คนโทรมาโทรมาเขาทุกข์อะที่นี่เหตุการณ์บ้านเมืองมันก็ไม่สงบเพราะูลัวเออนิ่งๆก่อนนะหารก็เพราะเรามีเมตตาไงเราถึงไปเปิดไงอาหารถึงเสียสละขนาดนี้นะไม่ต้องพูดถึงหลอกเมตตาเราเมตตาอยู่แล้วแต่ต้องมีสติต้องมีสติบางทีความบริสุทธิ์เรานั่นแหละเราไปเปิด ช่วงนี้เดี๋ย ว, ว่าเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงบางเอิญเขารู้ว่าเราเปิดคนที่เขาทุกข์เขาก็มองไม่เห็นช่างหัวมันเขาจะเอาใจเขาเองเนี่ยเขาจะมาปวดทุกข์ไงเขาก็จะเดินทางมาสู่เราระหว่างทางก็ถูกเขาฆ่าตายถูกลูกหลงอะไรอย่างนี้นะมันก็กลายเป็นกรรมร่วมนะเดี๋ยวดที่เราไม่มีเจตนานั่นแหละแต่ทีนี้ถ้าคนที่มีปัญญาด้วยเราต้องดู ทำไปตามเหตุและปัจจัยเอาละเขาปรึกษาพระครูเรื่องหนึ่งเขาบอกเดี๋ยวก่อนพระครูอีกเรื่องหนึ่งผมไม่เข้าใจตอนนี้พระทําไมไปอยู่หน้ามบเขาถามความเห็นพระครูพระครูว่าท่านก็คิดว่าท่านทำหน้าที่ไม่ต้องเอ่ยชื่อใครมันเป็นแค่อุดมการ มันไม่ใช่ธรรมะ ม, มันเป็นเรื่องโลกียวิสัยเป็นอุดมการณ์แม้กระทั่งเนี่ยสายนี้เขาก็เชิดชูมหาตมาคาทีตัวเองแต่งตัวเป็นลูกหลานพุทธเจ้าแต่ไปเชิดชูมหาธรรมาคารทีพาอครูเคยเชิดชูมหาตมาคาทีตอนพ่อครูเป็นหนุ่มๆเป็นบุคคลในอุดมการณ์เลยล่ะเป็นรัฐบุรุษของโลก แต่เป็นเรื่องของโลกิยาหลังจากจิตพวกกูมันกลับมาสู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมองย้อนไปเราก็เห็นว่ามันเป็นแค่อุดมการมันไม่ใช่ธรรมะยังมีประเทศกูยังมีถูกมีผิดแล้วก็มหาลธรรมะการทีนท่านเสียสละความสะดวกสบายท่านเป็นนักเรียนนอกท่านไม่อยู่แบบสมถะเพื่อเป็นแบบอย่างต่อสู้แบบอังหิงสา อ้ยิ้งามท่านคือว่าท่านไม่ไปรบกวนใครท่านอยู่เฉยๆท่านอดข้าวแล้วท่านสามารถขับไอ้พวกบุกลุกนี้ออกไปแล้วก็ไม่กี่วันต่อมาท่านก็ถูกพวกอินเดียด้วยกันฆ่าทิ้งแล้วปัจจุบันนี้ประเทศอินเดียซึ่งเป็นเมืองแห่งการเกิดขึ้นของพุทธศาสนา ก็ยังมีสงครามกลางเมืองอยู่คือโลกกระทำแปยอีกกี่ล้านปีมมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์มันก็ยังมีอยู่มันไม่ใช่ธรรมะมันเป็นแค่อุดมการ์ถ้าเรายังไม่แม่นยังติดบ่วงเราก็เป็นติดถูกทีเดีวและเราก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยในการขัดแยง้งไปสอนให้มนุษย์ขัดแย้งกันเนี่ยพระพุทธเจ้ามไม่สอนอย่างนั้นแน่นอน มันสะใจมันเป็นอุดมการอุดมการที่บริสุทธิ์มหาตมาคานทีบริสุทธิ์มากในแง่อุดมการเป็นรัฐบุรุษเป็นบุคคลในตัวอย่างของชาวโลกเป็นคนเสียสละแต่ท่านต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกมันก็เป็นกรรมใหม่ด้วยเห้การณที่เราจะไปเข้าข้างคนหนึ่งมันก็ไปขัดแย้งกับอีกคนคนหนึ่ง มันเป็นของคู่อยู่คำว่าทางสากลางเนี่ยไม่ใช่เราปฏิเสธในกอเข้าข้างในขอเรายอมรับทั้งสองมีแต่เตือนสติเขาว่าเฮ้ยอย่าทะเลาะกันนะเรื่องที่มันเกิดขึ้นหลายปีนะตั้งแต่นนทรสีกิลาสีเนี่ยที่นี่ก็มีทุกสี พอคูคุยกับสีนี่พอคูก็บอกว่าวางใครถูกใครผิดทะเลาะกันคือผิดทะเลาะกันคือผิดเรามีปากไม่ได้เอาไว้ทะเลาะกันมีปากนอกจากเอามากินข้าวแล้วเนี่ยเอามาทําประโยชน์คือให้ธรรมทานให้สติไม่ใช่ไปปลุกระดมให้เขาทะเลาะกันแล้วไปอ้างพุทธเจ้า เป็นอกุศลที่หนักมากมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวมันเป็นเรื่องขององค์กรของศ า, าสนาไม่ใช่ของประเทศไทยอย่างเดียวนะของทั้งมวลมนุษยชาติเราสู้ความอยากเราไม่ได้ไงเพราะเราติดถูกติดผิดไงติดดีไงติดอะไรก็ไม่ดีอาจารย์พุทธทาสพูดเองเนี่ยติดดีนี่ กับติดชั่วเนี่ก็จันไรเหมือนกันมันก็เป็นกรรมกรรมดีก็ต้องรับนะนก็เป็นกรรมไงแต่การทำบุญเนี่ยมันไม่ใช่กรรมมันเป็นกุศลครานี้เราทำบุญหรือเราทำอะไรก็หลังจากพูดอย่างนี้นหารบอกผมเข้าใจละโอเคไม่ต้องไปเข้าข้างใครไม่ต้องไปยุ่งกับใคร ทางนี้ไม่เข้าขัางเขาก็หาว่าเราไม่รักชาติทางนี้เขาไม่เข้าขัางข้งกันพราะเป็นเรื่องของเขาเขามีปากเอาไว้ตาหนิคนนะก็เป็นเรื่องของเขาเขาเอาปากเขาไปสร้างกรรมก็เรื่องของเขาเราอย่าไปซ้ำเติมเขาแต่ชีวิตเป็นของเราเพราะกูไม่ฟังใครท้งนั้นเพราะกูฟังพรพุทธเจ้าพวกเธอเป็นใครไม่ออกไปไม่รักชาติ ลักชาทำไมต้องทะเลาะ ก, กันมีปากคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวบางเออน้อเป็นคนไทยด้วยกันด้วยไม่ใช่ไปทะเลาะขมินอะไรอะไรยังไม่พอปุกระดมอยู่ทอนนั้นแหละเรื่องนี้เอาไม่ได้เรื่องนี้เอาไม่ได้แล้วหาจะเรื่องกันเดีย๋ยว่าจะ่เห็นไหม <S <S เพื่อนบ้านเราขมินก็เป็นเพื่อนบ้านอันนี้เพื่อนข้างห้องเองเนี่ยบอกไม่สงบอันนี้เป็นเรื่องโลกี้ยะ ถ้ามาถามพ่อครูนี่เกมมีพ่อครูเลิกเล่นแล้วนะพ่อครูถึงเอาตัวเองมาอยู่ในป่าเมื่อเราจะคิดว่าเราจะเอาตัวเองอยู่ในป่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่ไปเปลี่ยนสิ่งแวนลอมทำตามใจตัวเองตอนนี้มันเลอะไปหมดถ้าเอาไม่อยู่นะพ่อครูเลือกปิดโรงเรียนนะตัดไฟฟ้าไม่ต้องใช้ กับคืนสู่สมัยที่พอกูอยู่นี่สิบเอ็ดปีไม่มีไฟฟ้าแต่ตอนนี้เนื่องจากเมตานั่นแหละถึงเปิดโอกาสแต่เรามีโอกาสแล้วทําไมไม่ฉวยโอกาสไม่ใช้โอกาสนี้ลดละเลิกไม่ลดละเลิกไม่พอยังมาสร้างกรรมใหม่อีกแล้วมันจะไปไหนละ่ะถ้าพอกูไม่พูดนั่นแหละพอกูไม่ทําหน้าที่แต่ที่พอกูพูดไปไม่ได้เจาะจงว่าคนนั้นชั่วคนนี้ดีนะ ถ้าเราทำจริงๆเรามีสํานึกเราก็เลิกถ้าเราไม่ทำเราเดือดร้อนอะไรเสียความรู้สึกของเด็กนะนั่นแหละไอ้ความรู้สึกนั่นแหละมันทําให้เราสุขกับทุกข์ไงรู้สึกดีก็สุขรู้สึกไม่ดีก็ทุกข์ทำเองทั้งนั้นแหละก็เรามาปฏิบัติเนี่ยเราต้องข้ามพ้นสุขทุกข์ ดีชั่วไม่กระทั่งบุญบาปเวลาที่เหลือเราก็ทำเพราทำนะก็วันนี้พ่อครูก็ใช้เวลาพอสมควรที่คิดว่ า, าได้ยินอะไรดีๆบัเงเกินจิตพ่อครูนานๆต้องมีอย่างนี้ทีหนึ่งถ้าไม่ถึงเวลาแล้วมันก็ไม่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้นะมันมันรวมทั้งหมดเลยนะตอนนี้นะ มันไม่ใช่เรื่องทางสายกลางอย่างเดียวมันเป็น the whole i n g ก็คือว่าเป็นขบวนการทั้งหมดเลยนะเกี่ยวกับชีวิตเราคนหนึ่งที่มาที่ไปของมันเกี่ยวกับเรื่องวัฏฏะสงสารนะมันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้พระพุทธเจ้าก็ชี้ให้เราหมดไปแต่ว่าบังเกินว่าเราไม่เคยมาเรียบเรียงให้มันลิงกันจริงแล้วคาสอนพระพุทธเจ้านี่สูตรไหนก็ช่างอย่าไปแยกสูตรมันเชื่อมโยงกันไปนหมดล่ะ มาร์กนี่เหมือนกันอันนี้อย่าว่าแต่มาร์กเลยยังเข้าไปไม่ถึงนะไปแยกซอยฝึกสมาธิปีหนึ่งพระครูไปโคราชผ่านโคราชเขาก็ขึ้นป้ายเลยปีนี้สัมมาสติวันวิสาขาบูชาจัดงานใหญ่อีกปีหนึ่งสัมมาสมาธิแยกซอยแบบนั้นนะอย่าว่าแต่มาร์กเลยนะอย่าว่าจะมนะาร์กสมังคีเลยนะมันก็แยกแบบนี้ไง แยกนี้ก็เลยกายนิสัยว่าของเธอของฉันนะเขแยกพวกอีกแยกข้าอีกก็เรามีนิสัยแยกไงเห็นไหมพราครูเริ่มจากแปดนะผู้เจ้าก็บอกว่ามรคมีองค์แปดแล้วองค์แปดนี้ไม่ใช่แยกซอยแยกซอยเรียนเฉพาะสมาธิสติสมาธิก็เป็นหนึ่งในสัมมาสมาธิในมรคสติก็เป็นส่วนหนึ่งของสัมมาสติในมรคเราต้องเจริญมรค ไม่ใช่เจริญสติสมาธิแต่ต้องใช้สมาธิไปในทางที่ชอบใช้สติไปในทางที่ชอบทีนี้ยังไม่ศึกษาอะไรท่องแท้มีคนส่งให้พค่ครูเนี่ยที่กาลสิงห์เนเขียนยาวมาเลยนะใช้เขียนมือเลยนะเขาตั้งใจมากก็ส่วนหนึ่งก็เหมือนตีหัวป๊กแล้วก็รูปหลังเหมือนถ่อมตนพร่อครูเห็นอารมณ์เขาก็ขอโมทนาด้วยว่าเขาห่วงาศาสนา เหมือนพระครูปฏิเสธคําสอนพระริเจ้าเรื่องเจริญสติเรื่องฝึกสมาธิพระครูไม่ได้ปฏิเสธแต่ถ้าไปติดอยู่ตรงนั้นอ่ะมันไม่ใช่ทางไปสู่การเจริญมากเราต้องใช้สมาธิใช้สติเห็นไหมโจรมันก็ใช้สติแต่มันใช้สติในการเบียดเบียนมันเป็นมิจฉาสติฝึกสมาธิฝึกสติเหมือนออกกําลังกาย เราจ็อกกิ้งทุกวันเราก็แข็งแรงแต่เอาความแข็งแรงนั้นไปเบียดเบียนคนอื่นเห็นไหมเราฝึกสติฝึกสมาธิแล้วบังเอิญว่าเราไม่มีปัญญาเราก็เอาสมาธิกับสติตังนั้นบังเอิญเราไม่มีศีลเอาไปสร้างกรรมใหม่ทุกวันนี้ที่ด่าด่ากันไม่ใช่ไม่มีสติไม่มีสมาธิมีแต่มันไม่มีศีลมันอภัยทานกันไม่ได้มันไม่มีปัญญามันเป็นแค่ความรู้ผิดไง สติไงเขาก็ตัดไอ้หนังสือที่พวกครูเขียนนั่นส่งมาเลยนะที่พครูนหน้าหนึ่งพวกครูเขียนว่า อ, อ, อาจารย์ตักโม่พูดว่าเมื่อประตูแห่งความรู้แจ้งยังไม่เปิดฉันก็ได้แต่เพียงเฝ้าดูจิตฉันเลื่อยไปหลวงปู่ดุลก็บอกว่าจิตส่งออกคือสมทุทัยผลของการส่งออกคือทุกข์ จิตเห็นจิตคือมรรคผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือเรียกตอนนี้เนี่ยครูบาอาจารย์คนไหนรูปไหนนะแม้กระทั่งคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยใครอ่านหนังสือออกก็อา่านรู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าพ่อครูเห็นตัวไหนมันที่ว่าเออเปรีออกมาสั้นๆมันตรงพ่อครูก็เอามานาเสนอแล้วพ่อครูก็ตบท้ายว่าพ่อครูเสนออะไรพ่อครูบอกว่าหลงป่า ต้องหาทางเดินออกจากป่าไม่ต้องเสียเวลาไปฝึกสมาธิจเจริญสติเพียงแค่ใช้สมาธิสติเป็นเครื่องมือในการเดินทางออกจากป่าถ้าเขายังไม่เข้าถึงตรงนั้นเขาก็บอกว่าพ่อครูไปต่อต้านคำสอนวิเจ้าเรื่องจเจริญสมาธิจเจริญสติแล้วก็ตบท้ายว่าพ่อครูต้องตอบเขานะพ่อครูไม่มีเวลาตอบใคร ถ้าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้แท้จริงเนี่ยเราไม่เชื่ออะไรเราต้องศึกษายิ่งห่วงศาสนามากเราต้องเจาะลึกอันนี้คุณแค่อ่า น, นเฉยๆนะคุณก็วิจาร์แล้วเนาะเห็นแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยพ่อครูอ่านแล้วก็เห็นจิตเขานะเขาแสดงถึงความห่วงใยพุทธศาสนานะไม่ใช่เรื่องอกศุศลอะไรแต่เขาใช้สมาธิใช้สติเขาเนี่ย ทำในสิ่งที่เขายังไม่รู้จริงไปกล่าวโทษคนอื่นมันก็เป็นกลางในเพราะเขาก็ยังเข้าไม่ถึงปัญญาแล้วไม่ใช่ศีลจริงๆศีลคือความปกติของจิตต้องวางใจเป็นกลางถ้าเรายังไม่แน่ใจเรายังไม่เชื่อเรายิ่งห่วงศาสนาเท่าไหร่เนี่ยอย่าเพิ่งหยุดแค่นั้นเรายิ่งเจาะลึกเลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไง แล้วมาที่ศูนย์นี้เนี่ยก็ไม่ต้องซื้อตั๋วไม่ต้องขอวีซ่าทุกคนจะลองได้หมดแต่ถ้าเราไปอยู่เมืองน อ, นอกคิดว่ามีเรื่องแบบนี้เหรอเนี่ยน้อยมากครับไม่มีอะไรฟรีหรอกแต่คำสอนพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาวิถีพูดจริงๆเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องผลประโยชน์มันเป็นเรื่องของทานนะตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคาสอน เขาคุยอยู่ที่นี่ไม่ใช่ยี่สิบสี่วันนะตอนนี้พูดถึงยี่บสี่ไม่ได้ละมันเข้าไปยี่สิบห้าปีละเนาะก็คือแล้วก็ทําของเรามาเรื่อยๆไม่ต้องการขัดแย้งกับใครเพียงแต่ว่ามันถึงเวลาเรานําเสนอออกไปแล้วเนี่ยใครรับได้ก็ได้รับไม่ได้ก็ได้เป็นเรื่องของนานาจิตตังแต่อย่าถึงขั้นว่ายังไม่เคยศึกษาให้มันให้มันเจาะลึกเลยแล้วไปกล่าวโทษไปไปตั้งสารเตี๊ยอย่างนี้อันนี้เป็นกรรมใหม่ไม่ ถ้าถ้าบอกได้ก็บอกไม่อยากให้ทำเนาะก็พ่อครูเนี่ยแหละไม่มีเวลาที่จะต้องไปตอบปัญหาใครเพราะว่าไม่ต้องการต่อสู้กับใครจนไม่ต้องมีโทรศัพท์ไหยถ้ามีไม่ต้องไม่ต้องทำอย่างอื่นนะวันหนึ่งวันหนึ่งก็นั่งตอบเขาอยู่ตรงนั้นแหละเนาะซึ่งพ่อครูไม่ต้องชี้แจงใครพ่อครูไม่ใช่เชื่อมั่นตัวเองตัวเองก็ไม่มีนะมันไม่โง่ที่จะไปสร้างกรรมหรอก